ซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมย่อมจะต้องมีวิธีการที่แตกต่างจากวิธีการของวัตถุแน่นอนเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้ที่ทำการคัดค้านทำการพิสูจน์ด้วยวิธีเทียบเคียงกับหลักวิชาหรือประสบการณ์ที่เคยผ่านมาจึงไม่ใช่วิธีการพิสูจน์ที่ดีคนที่ขัดแย้งธรรมะหรือคนที่ปฏิเสธธรรมะส่วนมาก ก็มักจะใช้วิธีการเปรียบเทียบแบบนี้กันเกือบทั้งนั้นขอได้โปรดจําไว้ว่าการเปรียบเทียบกับหลักวิชาหรือประสบการณ์ที่ตนเคยผ่านมานั้นจะช่วยได้ก็เพียงทําให้เข้าใจธรรมะง่ายขึ้นแต่บางอย่างก็อาจจะใช้เป็นข้อพิสูจน์ได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีโดยปกติการพิสูจน์ธรรมะจะต้องอาศัยสมาธิเสมอยิ่งเป็นธรรมะชั้นสูงด้วยแล้ว